ดอกไม้ของหนูน้อยไอดา้าหนูคิดว่าเวทมนต์วิเศษสิ่งอัศจรรย์ปลาบินได้ดอกไม้เต้นรำมีอยู่จริงไหมมันมีอยู่จริงแต่หนูต้องเชื่อว่ามันมีอยู่จริงถึงจะได้เห็นมันพร้อมกันหรือยังมาเริ่มอ่านเรื่องดอกไม้ของหนูน้อยไอด้ากันเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองควิกสวิลเมืองแห่งเวทมนต์ของเล่นต้นไม้บ้าน แม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ทุกสิ่งมีชีวิตแต่คนที่เชื่อว่าเวทมนต์วิเศษมีจริงเท่านั้นที่จะได้เห็นในใจกลางเมืองควิกสวิลล์ไอด้าอาศัยอยู่ในบ้านหลังโตไอด้าหนูน้อยผู้น่ารักเธอรักดอกไม้ของเธอมากทั้งดอกกุหลาบดอกคาเนชันดอกเดฟโฟเดลดอกทิวลิปดอกไม้คือเพื่อนแท้ของไอดา้า แต่เธอไม่เคยยิ้มเลยกลิ่นหอมสดชื่นของดอกไม้แสงแดดอันอบอุ่นหมอกยามเช้าก็ไม่สามารถทำให้อดายิ้มได้ไอิดาคุยกับดอกไม้ดูแลรักษารดน้ำทุกวันแต่ก็ไม่เคยยิ้มเลยไอดาชอบวาดรูปพ่อของเธอรักเธอมากพ่ออยากเห็นไอดายิ้มท่านจึงจ้างครู เมื่อสอนไอด้าวาดรูปที่บ้านเด็กๆในเมืองควิกสวิล์ต่างพากันมาเรียนหนึ่งในนั้นคือเฮนรี่พ่อหนุ่มน้องผู้เชื่อว่าเวทมนต์วิเศษมีอยู่จริงเฮนรี่คุยกับต้นไม้ผู้ไม้ก้อนเมฆเคยลงมาจากฟ้าเพื่อทำฝนให้เฮนรี่ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เขาเล่าแต่เฮนรี่ก็ไม่สนวันหนึ่ง เฮนรี Henry, ว่วาดรูปอะไรเหรออ๋อดีจังที่ครูถามดูนี่สิครับเฮนรี่หนูวาดรูปอะไรไม่ดีเลยรู้ไหมว่านั่นอะไรครับผู้ชายกำลังแขวนคอกุมหัวใจไว้ในมือแสดงให้เห็นว่าเขาขโมยหัวใจคนอื่นมาฉันว่าน่าสนใจนะคะ น่าสนใจลหผมว่าเด็กคนนี้ประหลาดเมื่อวันก่อนเขาบอกว่าดาวตกเพราะดาวลงจากท้องฟ้ามาตามหารักแท้ด้วยเรื่องจริงใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนพอแล้วเลิกพูดเรื่อ้สาระเฮนรี่ครูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเล่าเรื่องโกหกให้เพื่อนฟังด้วยความคารพขัคุณครูจินตนาการไม่ใช่หรอคะที่จะทาให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กจะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการกล้าคิดนะคะคุณมาสอนครูอย่างนั้นเหรอเ อ, อ่อเปล่าค่ะฉันก็แค่พอแล้วพอแล้วผมไม่ได้โกโหกนะเห็นไหมดาวเป็นคนบอกผมเองอะปากกาในมือเฮนรี่พยักหน้าแต่น่าเสียดายที่เชอรี่ไม่เชื่อว่าเวทมนต์วิเศษมีจริงเธอเลยมองไม่เห็น เอาลววันนี้เราเริ่มเดทกันช้าแล้วเด็กที่ไม่เคยยิ้มคนนั้นหายไปไหนเนี่ยไอดา้าไม่นะดอกไม้ของฉันเกิด อ, อะไรขึ้นกับพวกเขานะดูสิทำไมต้องกังวลทุกเรื่องยิ้มไม่เป็นบ้างหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้จะยิ้มเรื่องอะไรนี่คะดูดอกไม้ของหนูสิโอหนูน้อยมันก็แค่ดอกไม้เหี่ยวเฉาอะไรนะคะ เทียวเฉาแปลว่ามันกำลังจะตายไงเล่าให้ตายเป็นนักเป็นโนเหมือนเดิมน่าจะดีกว่าเอาละมันเป็นเรื่องธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตายปล่อยไปตามธรรมชาติเรามาเรียนวาดรูกปกันดีกว่านะแต่ไอดาไม่มีกระจิตกระจายเรียนเธอจ้องมองดอกไม้ด้วยความเศร้าหนูทาอะไรผิดไปนะ ทำไมไม่มีความสุขกันนงไงต้องทำยังไงถึงจะดีขึ้นละ่ะไอด้าไม่ต้องไปฟังครูดอกไม้เธอยังไม่ตายแค่เหนื่อยเพราะเต้นรำตเต้นรำเหรอใช่เธอไม่รู้จักปราสาทที่อยู่นอกเขตเมืองเหรอบ้านพักร้อนของพระราชาผู้ดอกไมนะ้ไปเต้นรำกันที่นั่น ฉันไปปราสาทมาแต่ไม่เห็นดอกไม้ไม่แต่ดอกเดียวใบ ไ, ไม้ก็ไม่มีตอนกลางวันพวกเขาไม่อยู่ที่ปราสาทผู้ดูแลปราสาทไม่ใส่ใจพวกเขาเขาไม่คุยไม่ดูแลดอกไม้ผู้ดอกไม้ชอบไปเต้นรำที่นั่นเพราะว่ามีพื้นที่กว้างขวางเต้นได้สบายเลยแต่ผู้ดอกไม้ก็ต้องคอยระวังผู้ดูแลปราสาทจะมีดอกไม้ดอกหนึ่งคอยเฝ้ายามที่ประตูทันทีที่ได้ยินเสียงเดิน เขาจะเตือนดอกไม้ที่เหลือพวกเขาจะได้ซ่อนตัวทันเมื่อผู้ดูแลปราสาทเข้ามาก็จะได้กลิ่นดอกไม้แต่ว่าไม่เห็นดอกไม้จริงเหรอจริงจริงหลังงานเต้นรำเลิกผู้ดอกไม้ก็กลับไปที่บ้านแล้วพอกลางคืนก็กลับมาใหม่เดี๋ยวนะเธอพูดเรื่องจริงหรือเปล่าฉันอยากเห็น แต่ฉันไปปราสาทตอนกลางคืนไม่ได้ทำยังไงดีอคิดก่อนนะ อ, อ๋อคิดออกแล้วไอด้าจะต้องสัญญาก่อนว่าเธอจะเชื่อฉันเพราะว่าเธอจะเห็นดอกไม้เต้นรำก็ต่อเมื่อเธอเชื่อว่าพวกเขาเต้นได้จริง อ, อ่อตกลงดีก่อนเธอเข้านอนคนืนนี้ให้ล็อกประตูห้องของเล่นพวกเขาจะได้ออกจากห้องไม่ได้ จะได้เต้นรําอยู่ในห้องนั้นจะจำไว้ว่าต้องเตรียมพื้นที่ให้พวกเขาพวกเขาจะได้ไม่เต้นชนเฟอร์นิจเจอร์เข้าใจใช่ไหมงานเต้นราใช้พื้นที่เยอะเฮนรี <c oughs> Henry, ่เธอทำอะไรของเธอนี่เขาบอกนูว่าดอกไม้เต้นรํากันแบบนี้ดอกไม้เต้นราเหรอโอ้พระเจ้า ไ้กันมาเล่าเรื่องไร้าสาระพวกนี้ให้เด็กๆฟังพอแล้วไม่พูดเรื่องดอกไม้แต่น้ากันแล้วนะหลังเลิกเรียนไอด้ารีบกลับไปห้องนอนของเธอออสวัสดีเซฟีหลับสบายไหมจ๊ะก็ขอโทษนะเซฟีแต่คืนนี้เธอต้องไปนอนที่อื่นดอกไม้ไม่สบายต้องนอนพักพวกเขาเหนื่อย ไอด้ามั่นใจว่าจะเห็นโซฟีแสดงสีหน้าไม่พอใจแต่ใครจะไปเชื่อว่าตุ๊กตามีความรู้สึกอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเชื่อนั้นอาจไม่เป็นจริงทุกอย่างพักผ่อนก่อนนะถ้าไปเต้นรมก็อย่าเต้นจนหมดแรงล่ะดอกไม้ไม่ตอบไอดา้าแต่เธอรู้ดีว่าดอกไม้ได้ยินเธอคืนนั้นไอด้านอนไม่หลับ เธอจำทุกเรื่องที่เฮนรี่บอกเธอล็อกประตูห้องของเล่นไอด้าไม่อยากให้ดอกไม้ออกไปไหนไม่อยากให้ดอกไม้ถูกผู้ดูแลปราสาทจับได้ยิ่งกว่านั้นเธออยากเห็นดอกไม้เต้นรำและเธอเชื่อว่าเธอจะได้เห็นแน่นอนอขอให้ได้เห็นดอกไม้เต้นรำด้วยเถิดเลิฟโรดในที่สุดไอด้าก็เผลอหลับไป ะนะฮะต้องเป็นดอกไม้แน่เลยพวกเขาเต้นรำต้องไปดูให้ได้เป็นอย่างที่ไอด้าคิดไว้ดอกกุหลาบดอกเดฟโฟเดลดอกคาร์เนชั่นทั้งเป็นภาพที่งดงามดอกไม้ในแจกันพากันเต้นรำในห้องดอกดิลลี่เล่นเปียนโนของเล่นเห็นดอกไม้เต้นรำ ก็อดใจไม่ไหวอ้คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตเลยทุกอย่างไปดีๆอยู่ๆไม่กาดก็พูดขึ้นใครกันเอาเรื่องไร้สาระพวกนี้มาเล่าให้เด็กๆฟังกันนะทำไมยังลีลาชันเรยยัง ไม่รู้มาก่อนเลยว่าฉันก็เต้นแบบนี้ได้ไอดาทึงจนก้าวขาไม่ออกเธอมองหาดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาของเธอเธออยากเห็นเขาเต้นรำและไม่ใช่แค่เธอที่อยากเห็นสวัสดีทำไมพวกท่านไม่เต้นรำ จนไม่สบายมาเถอะเต้นรำอาจจะทำให้อาการดีขึ้นนะโอ้นั่นสิเบนดาไปเต้นรำกันใช่ไปเต้นรำกันนะก่อนที่จะเต้นไม่ไหวอออสิจอจ้างหมดแล้วแต่พวกเขายังดมีความสุขกันอยู่เลยยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะท่านใดนั้น ก็มีเสียงคล้อจากตู้ลิ้นชักตุ๊ ก, กตากวาดขม่าปล่องไฟเปิดตู้ให้โซฟีอ้านึกว่าจะไม่ได้ออกมาแล้วซะอีกข้างในเนี่ยมือจะตายเกิดอะไรขึ้นที่นี่งานเลี้ยงเต็นรำไงงานเลี้ยงนะงานเลี้ยงเหรอทำไมไม่มีใครชวนฉันเลยอะโอ้ก็ฉันชวนเธออยู่นี่ไง ไปเต้นรำด้วยกันไหมอื้ตายหวังสูงไปหน่อยนะเธอโซฟีอยากให้ดอกไม้รูปหล่อมาชวนเธอเต้นราแต่ดอกไม้ต่างหากันเต้นรำร้องเพลงไม่มีใครเห็นโซฟีเธอนั่งดูอยู่ในตู้เธอคิดว่าไม่มีใครเห็นเธอและก็ไม่มีใครมาชวนเธอเลยเธอจึงตัดสินใจไปเต้นคนเดียว แต่ว่าอโอ้เป็นอะไรรู้เปล่าเจ็บตรงไหนไหมเออพวกเธอไม่มีหนุ่มหลอกคนไหนคิดมาช่วยฉันหรือไง น, นะไปให้พ้นฉันไม่เป็นไรโอ้ให้เราช่วยเธอทำไมพวกคุณถึงดีกับฉันล่ะเธอให้พวกเรานอนเตียงเธอเธอถั้งมีน้ำใจนะเออ เออค่ะพวกคุณน่ารักจังฉันยกเตียงให้เลยค่ะฉันจะไม่บ่นด้วยฉันจะไม่บ่นใจดีจังเลยแต่เราคงรับไม่อยู่ได้พรุ่งนี้เราคงไม่อยู่แล้วล่ะไม่อยู่ก่อนสิคะเราคงอยู่ต่อไม่ได้ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมช่วยบอกไอร่าให้ฝังเราไว้ในสวน เราจะได้กลับมาทุกปียังไงเล่าฉันจะบอกเธอเองอ้าวเกิดอะไรขึ้นกับดอกไม้ของหนูนะอ้อไม่เป็นไรนะสำหรับหนูคุณสวยเสมอเลยไอด้ามองออกไปที่สวนรอยยิ้มของเธอสวยที่สุดไอด้า เชื่อในเวทมนต์วิเศษและเธอรู้ว่าควรทำยังไงไอด้าพูดคุยกับพระอาทิตย์พระจันทร์เธอร้องเพลงกับช้อนเต้นรากับต้นไม้ดอกไม้เธอเชื่อในเวทมนต์วิเศษและเห็นเวทมนต์วิเศษทุกที่ที่เธอมองดอกไม้ทำตามสัญญาพวกเขางอกงามทุกปี เมืองควิกสวิลยังคงมีดอกไม้เต้นรำยามค่ำคืนดอกไม้ของไอดาได้นำเวทมนต์วิเศษมาสู่ควิกสวิลและรอยยิ้มบนใบหน้าของหนูน้อยไอดา